อันสาตุชนพระธรรมิั ต, ตการป่วยขนมอบตาลวาระที่สองเป็นการป่วยที่น่าตกใจอย่างยิ่งเพราะว่าการป่วยคราวนั้นกลายกดว่าเกิดใจชีวิตไม่รอดมันดาโรคสิทุการ์าพายันใจหายใจคว่มไปตา ม, ตามกัน ต่างคนต่างพดเพียงกันไปพยาบาลจากปัตณโคีและไปที่กรุงเทพคือถนอนบัลหมอบัลหลวงบ า, านของวิจัยส <c oughs> ังหรับคณะศิติยานุกศิษย์ทั้งหลายในกรุงเทพก็คัดขัขขง้งเป็นกรณีพิเศษจนกระทา่งฝ่ายตารวจแลนยัเป็นสนีบาลก็ส่งคนมาจุดถนนบ้านมอหลวงบ า, านมีคนมาก ยิงแจ้งไปยังอธิบดีกรมตำรวจอธิบดีกรมตำรวจเวลานั้นก็มีท่าทิจานพนักจิจอาธิบดีกรมตำรวจเมื่อแจ้งไปยังท่าที่บดีบ่อยๆอาธิบดีรำคาญเข้าก็เลยบอกว่าที่บ้านนั้นเขาไม่ได้ไปชมเรื่องการเมืองการโดยชมคราวนั้นที่นั่นเป็นการโดยชมพรักษาอาจารย์ครูเอง เพราะว่าอย่างนั้นถ้าบอกไอ้ใจกูเองนะว่าป่วยอยู่ที่นั่นมันจะไปหาบ้างก็ไปเป็นอันว่าตั้งแต่วันรุ่งขึ้นไป็นวันมากราตรวดวัดตรวจไปกันใหญ่ไปกันมากมายเป็นกรณีพิเศษและในได้สุดอาการไข้ของท่าตัวหายลงท่านก็กลับวัดตอนนี้กลับวัดในบรรดาท่านทุท่บริษัท นมพ่อกระซิบบอกว่าอีกสามปีที่ฉันตายแน่แล้วก็บอกกั บ, กบท่านพระครูวัดบันแพนพระครวัฒนาพิรมต่ออีกสามปีท่านตายแน่ท่านต่อไม่ได้แล้วก็ไม่อยากแกต่อเพราะร่างกายมาั น, นทุดโทรมเต็มทีเคื่อแรงก็ไม่มีตายก็ไม่ดีแต่หู ด, ดีสติปัญญาดีเป็นดิเศษ บรรดาลูกจิตภายในที่รักในการเจริญสมถานผลวงพ่อ ก, การแนะนําให้เป็นกรณีพิเศษโดยบอกจุดจบเขาไว้ให้ตอนนักสิปฏิบัติเพื่อพระพุทธภูมิคือมีท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิมีหลายท่านเดียกันหลวงพ่อปานก็แนะนําในสายพุทธภูมิให้สาหรับผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุไปเลย ก็แนะนำวนิธีปฏิบัติที่ใกล้ๆให้ไม่ต้องเดินไกลนักแล้วก็พยายามส่งไปสู่สำนักอาจารย์ต่างๆที่ได้บรรลุมรรคผลในสมัยนั้นนีดับบรรดาตั้งพุทธวริยสัจทุกท่านความดีคงพวกฝันเราจะหาอะไรมาเปรียบเทียบนี้ได้ ตามเมตตาปราณีในบรรดาคณะสิทธิยานุสิตท่านท่านทุกอย่างแม้แตนเมืองจังหวัดสุพรรณเองที่มีความอดอยากเท้จริงคุยไผ่หึวงพ่อดายเขาพยายามไปทอดกระถิ่นให้นำข้าวไปแจกประมาณสามสี่สิบเพียนกวอนจริงข้าของท่านไม่มีเลยจะได้ว่าอาศัยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในถือนับถือในท่าน นำเข้าสารบ้างผ้าผ่อนท่าสบายบ้างอาหารน้ำจืดอาหารทะเลบ้างยารักษาโรคบ้างเป็นอันว่ากันคุกกันไปได้เรือต่อเรือมรรทุกข้าวหลายสิบลำ ม, มาไบแจกกับรัดาท่านพุทธบริษัทนี่ไร้ตาท่านทั้งหลายงานนี้อาตมาก็รับมาแตท่านบอกแล้วว่าบอกว่างานทุกอย่างที่พ่าททำ ต่อไปลูกต้องรับภาระธรรมแต่ตว่าท่านทั้งหลายอาตมาทำได้แต่พอกำลังเทียบะพึงทำเท่านั้นการที่เราไปวัดรอยท้าหลุมปู่การให้ทําความดีสม่ำเสมอท่านนั่นทำไม่ไหวทั้งนี้เพออราะเราเพเกิดมีสายเป็นสิ่งที่เราเร่งการรักกันมากที่สุดนั่นก็คือการจเจริญสมถกรตมฐานมิปัสนาารกรรมฐาน ตามแบบอบับข้อองค์สมเน็จพระพิจิตรมารบริมสาชนนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาในราชการไม่ช้านานเท่าไร่บันเวลาล่วงไปล่วงไปตอนนี้หลวงพ่อไม่สอนอะไรมากสอนเฉพาะสีสมาสมทาิปัญญาคล้ายกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงปลงอายุสังขาร เมื่อนัตวนวังกลางเดือนสามนี้เป็นต้นไปอีกสามเดือนเราจะประินิพพานที่ระหว่าง น, นางรังทั้งคู่ที่เมืองกุชินาราหลังจากนั้นแล้วองสมเด็จพระบรมศาเจลาสมัสสมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสนจะแท้จริงสมาธิปัญญาเป็นทางลัดเข้าสู่ความเป็นอริยมรรคผล หลวงพ่อปานท่านดนสาวกพระองค์สมเด็จพระทศกุลบรมาศาสตรชดาสัมมาสัมพธเจ้าก็สอนตามแนวนั้นเหมือนกันพอสามปีหลังนี้นั้นรู้สึกว่าท่านขยันเป็นพิเศษได้นคนที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกไปเชตก็มากันมากมายวันวันหนึ่ง ตุติที่เป็นอยู่นั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทที่รับแขกผู้สุกว่ามากมายเป็นกรณีพิเศษที่ไม่มีมาในกาลก่อนมีการเวลาล่วงมาอลับลัดบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายโดยทุนหนาเคยเก่าๆอะไรไปโดยคิดแสดงก็พูดมาแล้วในประวัติของพระปานตอนโน้นนี่ได้พูดกถึงจริยา ท่านมีความเมตตากรณีเป็นกรณีพิเศษตอนนี้ใครจะขอเรียนอะไรท่านให้ทุกอย่างแม้แต่กระถาคมที่ได้มาในสมัยที่จเจริญสมถวิปัสสนาท่านก็ให้ให้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดต่อมาการกันหมดทั้งคันก็เข้ามาถึงคือปีที่สามวันหนึ่งท่านไปที่ตลาดกันแผ่น เดินขึ้นไปที่บ้านในวงแล้วคุณะเฉลิมกรากัดยอดพื้นในตะใคร่น้ําแต่แต่ว่ามันแห้งแล้วท่านเดินขึ้นไปไม่ทันเพราะเราไม่ทันระวังจีบอนแต่ตรายจะไม่คงมีกับท่านแต่ความจริงคนทุกคนที่ไปในเวลานั้นก็อยู่ไม่ไกลเพื่อนมันเลื่อนท่านก็ลื่อลงไปแตยความจริงไม่ได้ล้มฟาดไปทั้งตัว แต่ว่าส่วนใหร่พวกเราก็วิ่งเขารับถ้าใช้การต้านน้ำหนักและพื้นมันเลื่อนพวกเราก็เลยนั่งอลปดิกันให้เราเองกลายลงไปทับตัวพวกเราอยู่ไม่ถึงเรากระทบพื้นเหตุนี้เองบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นปัจจัยให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นเป็นวาระสุดท้าย บรรดาท่านหลายเจ้าของที่ก็ดีพวกเราก็ดีพาคุงพ่อกับวัดอาการที่มัเป็นในแตอมต้นก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรมากมายนะักท่านยัพูดได้เดินได้มีสติสักธัรญะสมบูรณ์แต่ถ้าว่าอาหารบรรดาท่านพุทธบริษัทบริโภคไม่ได้กันไม่ไหวเมื่อขานไมรู้ก็ไปถึงกรุงเทพ มีข้าราชการสัน้หลักคุยใหญ่ตั้งแต่รัฐมนตรีมาจนทางผู้เจ้าในหลายองค์ก็ส่งมาเยี่ยมแต่ด้ว่อาการของหลวงพ่อก็ไม่ดีขึ้นเพาเราจะเห็นบ น, นักก็ไม่หนักแมตอนนี้ท่านมาถึงวัดแล้วก็ไม่เดินไปไหนนี่ลยบรรดาท่านผุ้ต้บริษัทต่างหลายเป็นที่สหลดใจพราบรรดาลูกศิษย์ทุกหามาก แค่ต้งว่าพวกเราลาศกันอยู่แล้วในการป่วยคราวนี้หลวงพ่อมาอยู่แน่ฉะนั้นในยามว่างจากค น, นเวลาตอนเด็กพอเราเฝ้าขัดเกลื่อนด้นพยาบาลท่านยังเรียกเข้าไปใกล้ท่านบอกว่าลูกรักทั้งหลายคราวนี้พ่อจะต้องจากลูกในดมัมรรนดาท่านพุทธบริษัท ความจริงพ่ออยู่ไม่ได้แล้วเราะว่าถึงกาหนดเวลาที่ท่านพ่อบอกไว้ว่าสามปีต้องไปพวกเราฟังแล้วก็สะทอนใจบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านเห็นพวกเรานิงท่านก็ น, นิงอใจไปรประเดี๋ยวหนึ่งจะได้พืกเรามาเบาๆมาลูกรับ ความเสียใจเรื่องกันห้าจากพังไม่ควรมีสำหรับลกูกลูกศึกษามณีแล้วความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้เจ้าแล้วทั้งหมดไม่ได้จะพ่ออย่างยิ่งถ้าอะไราก็าตามที่เป็นสิ่งเกินในใินัยพี่พ่อจะาสอนเจ้าได้พ่อก็นำไปหาครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถ ในย่อพ่ออย่างยิ่งบรรดาลูกหลานถึง่นลูกรักที่ปรารถนาพรนิพพานในชาติปาจุบันความจริงเรื่องพระนิพพานนี้นั้นพ่อเข้าใจแต่ต้ว่าไม่ใช่วิสัยของพ่อที่จะสอนเพราะว่าพ่อปรารถนาพระโพธิญาณการจะสอนพวกเจ้าให้เข้าถึงพระนิพพานได้ต้องเป็นเร้ารหารัน เพราะบรรดาพฟาที่เป็นพระอรหันต์ที่พ่อพาไปนั้นเป็นฟ า, าอรหันพระองค์พระองค์ไหนเป็นฟ า, พพ า, าจถนาทุตภูมิเพระกาแจ้งให้เจ้าทราบแล้วแทนพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าน้อยใจจงอย่าเสียใจที่มีชีวิตอยู่ใกล้พ่อคนละสองปีสามปีสีป่ปีห้าปีเนี่ยถือว่ามีกําไรมาก วัติก า, าอานใดที่พ่อเคยแนะนำสั่งสอน้าไว้จงปฏิบัติตามขึ้นชื่อว่าอุปสัจขันธม า, าตาแตมาเวลานั่นเป็นเวลาสองนาฬิกาเศษกขหลับกันหมดเพราะว่าเลิงดำลูกรัดเจ้าจงยันอีทคนเจ้าจะต้องสู้อยู่กับคนนี่พ่อรู้ใจเจ้า ว่าเจ้าคิดว่าตาเผาพ่อเสร็จเจ้าจะเข้าป่ามันไม่ชอกายของเจ้าหรอกลูกลูกมีหนี้มากบริษัทบริวารของลูกมากคนที่เจสร้างความดีมีบุญคุณกับเจ้ามีมากเจ้าจะต้องอยู่ทดทานบุญคุณเขาเวลาอายุพรรษาครบยี่สิบปีจงออกจากวัด ถ้าจาอยู่ในวัดจะไม่ได้ดีโดยจงอย่าลืมว่ากรรมเก่าของเจ้ามีมากอุปสรรคทุกอย่างมันจะเข้ามาทําลายทุกจุดไม่จะสร้างความดีจะเป็นการสร้างมาความดีโดยวัตถุก็าตามจะสร้างความดีในส่วนนามธรรมาก็าตามมันย่อมมีอุปสรรคงานต่อสร้างเจ้าต้องทําต่อไป ด้วความจริงเจ้าจะไม่ทำก็ได้บุญโดิมีส่วนนี้ของเจ้าขอแล้วหรือถ้าขัดกราบกิเลสเท่านั้นแต่เจ้าจะงดเว้นสม่ได้ทั้งนี้พ่ อ, อราเขาว่าบรรดาบริษัทของเจ้าก็ดีไม่ใส่เครื่องโยมเจ้าก็ดียังมีอีกมากที่พบเวลานี้มันยังไม่ในหนึ่งในร้อยน่าจะเนินที่เหลืออยู่ คนทุกคนก็มีความดีเจ้าตรงเจ้าจงเป็นผู้มีความกระตันอยู่รู้คุณเขาในอดีตชาติเราเคยเป็นกษัตริย์เราเคยเป็นจักรพรรดิเราเคยเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่เราเคยเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองก็ตามหีืจะเป็นลูกบ้าก็ตามเราจะเป็นแต่ผู้เดียวไม่ได้ ต้องมีบุคคลเป็นผู้ไวด ร, ร, ร้อมเป็นืู้สนับสนุนหรือแม้วเราจะเป็นขอทานเราก็จะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นเป็นเพื่อนผู้เพื่อกลุ่มคนต้งหลายเหล่านี้แหละลูกท้องถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณใหญ่จเจ้าจงยาตัดช่องน้อยจากเาตัวนี่พ่อรู้ใจเจ้าว่าพ่อตายแล้วเมื่อไร ใจการศพพ่อเสร็จท่านเจ้าเจ้าจ้างใจแกเข้าป่าโดยสององค์นี้พอไม่อวานเป็นสิทธิของเธอแตราะ่าเธอเข้าป่าชะได้ก็ดีแต่ต้าหกว่าจำมายังไม่เข้าป่าเมื่ออายุครบสิบปีสามพอดีเธอจ้างเข้าป่าม่อยนั้นล้อท่างพระทั้งครัวว่าแยกตายกันตกนรกนับไม่ถ้วน ท่นนี้เพราะอะไรเพราะชนุนแห่ปัญญาสัมมาบัติของเจ้าเป็นต้นเหตุความจริงความรู้แบบนี้องค์สมเด็จพระปรมนโลกไชยเสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แร่เว่าทั้งพระก็ดีกันเองก็ดีอุมาสุกุมาสิการก็ดีที่เขาไม่ไว้ใจพระพุทธเจ้ามีอยู่ เห็นว่าคำ ส, คำสอนทางสอนขององค์สมเด็จพระบร ม, มครูไร้ความหมายจ้นด้วยเพศนี้แหละลูกรักที่ความสามารถของเจ้าทั้งหลายจะทำโห้ตกนรกเทจงสูงสารคนพูดนี้ให้มากลิงดำลูกรักเจ้าจะอยู่กับคนนิสัยของเจ้ามีอารมณ์เด็ดเดียวไม่แงใคร คิดไม่เสมอว่าเราคนเดียวเล้ยงตัวรอดจะตายเมื่อไรก็ไม่ใช่ทั้งแปลกแต่ว่มอย่างนี้รู้ดักจงใหญ่ใจเลยทั้งนี้เพระ อ, อะไรเพราะว่าเจ้าอยู่ในเกณฑ์กรจำที่จะต้องสงเคราะห์ใครตัวใครอีกมากมายจงตั้งจิตอยู่ในความเบียหันศีรษให้เป็นอัตมัญญาทั้นี้ก็หมายความว่าจงมีไม่ตาหาประมาณไม่ได้ และเจ้าจงแห่พยทยานแก่บุคคลผู้ทาความผิดตอนนี้เรื่สิดเครื่องเจ้าที่ทำต่อใจขณะทามันล้ำหน้าใครและยังพบกับความอิจฉาลัทิยาเป็นอย่างหนักถ้อการอย่างนั้นเกิดขึ้นเจ้าจงคิดถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพราภาคเจา้าว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็จริงแหละแต่ถ้าว่าจะต้องการลินทาอิจฉาลัิยา ห, หาได้ไหม โดยความมีชั้นที่ย้ายเกิดขึ้นเหมาอนใดเจ้าท่านทาใจให้สบายท่านจิตให้สงบเมื่อในดีสุดเจ้าก็จะมีความสุขถ้าเขาจะสร้างความทุกข์ของเขาเป็นเรื่องของเขาลูกรักไม่ต้องห่วงเมื่อเยนอันวัดความอะไรในชีวิตของท่านไม่มีบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เอาแตมาได้นั่งอยู่ด้วยกันสี่ห้าคนในยามเด็กสงัด ทั้งทั้งที่พวกเราไม่เคยน้ําตาไหลเพราะเรื่องอะไรเป็นสาคัญเวลานั้นพวกการพูดอย่างคุณไม่เจ็บพูดอย่างคนไม่ป่วยเพราจะไปรเราะเพราะ พ, าะพาะิงมากมีผิวหน้าของใสไม่ได้พูดคำนี้พวกเราทั้งหมดตางคนต่างน้ําตาตกในสันดาตุพุตบริษัท ในการเรียบไหลให้น้ำตาไหลมา น, นั่นมันไม่เช่การอันสมควรในเมื่อท่านพูดจบให้องดแล้วท่านจะสั่งว่าทุกคนนอนได้จงตั้งใจไว้เฉพาะพนิธานเป็นอารมณ์แล้วก็ก่อนจะจากไปท่านก็นเตือนบอกว่าลิงดำลูกรักเจ้าเป็นลูกพ่อมานาน เวลานี้จะปรารถนาปุถิยานมีใจเด็ดเดี่ยวมากแต่ด้ว่าการที่จะได้บรรลุเุ็นองค์สมเด็จพระผูมีพระาคาเจ้าคงไม่ใช่วิสัยของเจ้าเพราะต่อไปไม่ใจไม่นานนักเจ้าจะเบื่อพระสงฆ์ที่หมดขามาในพระพุทธศาสนาที่มีความเมาในลาดเดยถึงเสริมศกไม่เคารพในประธรรมวินัย ในตอนนั้นแหละท่านเจ้าอาจจะลาจากพุทธภูมิเสียก็ไดถ้าลาจากพุทธภูมิมาเลก็ตั้งใจปฏิบัติตามแบบสาวุคภูมิเพื่อจะใช้เวลาไม่ถึงสามเดือนก็จะจบติตตพุทธศาสนาเวลานั้นมาถึงเจ้าเองยังมตาตองถามพ่อในเวลานี้ความจริงขนาดนั้นตั้งใจนี่ก็จะถามทั้งเลยแต่ทันที ในเวลานี้จึงทํางานเกี่ยวกับพุทธภูมิให้เต็มอัตราเต็มความสามารถจนแม้เจ้าจะตัดพุทธภูมิในตอนหลังความตายของเจ้าก็ยังหลบหลบรักเจ้าจะ ห, หลีกเข้าไปหาความตายยังไม่ได้เจ้าจะหลีเข้าไปหนีคนก็ยังไม่ได้ต้องอยู่สงเคราะห์คนต่อไปอดคนต่อดร่งกัดบรรดาพวก มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายท่องที่ครองข้าเหลืองแล้วก็เมืองจางเก่งเมืองข่าทุงแต่คนเมืหลายเหล่านี้มีมากจนปล่อเขาอย่าสนใจในเขาเอาจะลูกรักทุกคนไปนอนได้ท้าสั่งแล้วก เ, เราก็มองดูงนาฬิกาเป็นเวลาสี่นาฬกาตอดีมันก็ไม่ใช่เวลานอนมันเป็นเวลาทำสมาบัติ <c oughs> เพื่อนดังสองก็เข้านิโรธาจะมาบัตดมีกําหนดตั้งไว้สองชั่วโมงเราเข้ากับเขาไม่เป็นเวลานั้นพระว่าเข้าจะมาบัตดยิ่งจากกระท่อมชานไปตั้งอยู่ชานแปดนอนเอกันเหนกแน่รูปไปชานเล่นบาดสบายถอยหลังไม่ตั้งอยู่ชานสี่ได้เอาเข้าพุ่องออกไปทีจากกายไปนอนโน่นบ้าน แต่หากินแบบสบายได้เวลาหกโมงเชา้ากลับไปบินเทบาทตอรุ่งเช้าบรรดาคนาสิทิยานสิทธิเขาก็าตกลงใจเอาไปรักษาตัวที่กรุงเทพข้อมีรักษาตัวยังไงก็ไม่ดีขึ้นมาถึงเวลาใกล้อาสารเขาก็เลยเวระกายแก่มันดาลูกหลานทั้งหมดในกรุงเทพบอกว่าข้ต้องกลับวัด ก็าทำความผิดไว้เขาต้องมาบวงสรวงก่อนเราก็นำท่านมาส่งมันนำมาส่งแล้วพอวมาถึงวัดก็ปลายกดว่าค้งคนทั้งพระเต็มวัดไปหมดพระยองขัดภงษาขดาขดภาษากันมากมายตั้งรืก็เกามีความจงรักทั้งดีต่อหลวงล่พราวพาถึงวัดในสงวันท่านสั่งตั้งเครื่องบวงสรวง ตอนนั้นบรรยกาศแบบว่าใครจะพูดอะไรกับท่านกขาพูดจะจะพาะในเวลาก่อนที่จะเที่ยงต่นหลังเที่ยงแล้วท่านจะไม่พูดเวลาหกโมงย็นตรงท่านจะลามีภุรอะไรระ บ, บรรดา่านพุทธบ่อยสัตว์ทั้งหลายโดยทุนน่าใครก็จะมีภุระก็รามีความโกรธก็มีคนบางคนตรง น, นั้นวิ่งเข้าไปใช้เสกยาบ้างเสกน้ำมนตบ้าง ดูตะบรรดาาูพระตะวัสริจัดยะยาตาอยู่แล้วแอยงจะให้สงบสงบก็ยังจะใช่กันอีกแตาท่ามาไม่ใช่ตนิต่ว่าสงสายเกลงว่าท่านจะไปนรกเมื่อเวลาบวงสัวเสร็จหลังจากเวลาเที่ยงวันท่านกบสงบกายสงบใจบรรดาพระเนทั้งหลายเขาไปจับที่ใบจรเข้าซ้ายเท้าขวามือขวามือซ้าย เวลาประมาณห้าโมงเย็นอาตมาเข้าประจำจัดที่ประจำมือขวาเจ้าเลิงเล็กมือใต้เจ้าเลิงดำขาขวาผู้ยโยงขาซ้ายได้เมืม่อคูดมสมาจารนั่งเข้าสมาบัติเื่งปลายเท้าเว ล, ลาใกล้เข้าไปจะถึงหกโมงเจ้าเลืมตาขึ้นมาถามว่าใครก็ตอบว่าก็าผมเลิงดำครับ พอลิงดำเลยลูกถ้าพ่อตายแล้วก็ช่วยไปสร้างโบสถ์ที่วัดเขาทองทองให้เกร็จเลยนะเมื่อกี้กอนเรียนท่า น, นบอกว่าจะหาว่าเขามาขอร้องนะสำรับตั้งผมเป็นเด็กถ้าผมเปนม็นเด็กถ้าเขาไม่อนมาขอร้องผมไปก็อย่ากลายเป็นปรารถนาในลาดไปถ้ากาติหน้าบอกถูกแล้วก็เป็นอันว่า จ, จบเกมท่านก็นหลับตาลงไป แม่พอต่อไปไม่ชานานเท่าใดรหรือเวลาอีกนิดเดียวจะหกโมงก็ลืมตาขึ้นมาตามว่าเวลาเท่าไหรก็เวลาประมาณหนึ่งนาทีแล้วไม่ถึงดีเขาจะหกโมงแม่ก็บอกว่าพ่อลานาลูกลักบอกทุกคนบอกพระสงฆ์บอกคราวาวัดบอกพ่อลานแล้วขอทุกคนมีความสุข ทำใดที่อสมเด็จไตรจอมไตรบรมราชสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมรุแล้วขอทุกคนจะบรรลุธรรมนั้นเถิดแต่คนที่ไม่ต้องห่วงก็คือท่านครูและตนาพระพิรมเพระท่นตครูอดมสมาธิานและก็อาจารย์เล็กทั้งสามคงนี่ไม่ต้องไปบอกท่านนะลูกนะเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้ากันแล้วถังนั้นตกใจบรรดาท่านพุทธบริจักรังหลาย อยู่กันมาเท่าไรเทาไรทาไมบอกมาบอกอเวลานาทีจะตายต็สั่งเสร็จท่านเรืองตาพุ๊บมอ่าหลับตาลงไปเรืองตาใหม่อีกทีเพราะกนละชิบะจอนในจุดต่อสี่คือมือสองเท้าสองหยุดต่อกันท่านครูดมสมาใจาก็เรืองตาขึ้นมาบอกว่าลุงพ่อไปดีแล้วเหลือแต่พวกเราเท่ า, านั้นอะไรากันดาท่านพุทบ ร, ริษัททุกท่าน เกมนี้ควรจะจบกันแล้วหรือยังเอาไว้ส่งท้ายอีกแต่หน่อยนะเพรเดี๋ยวท่วานพดดนตรีเขายาเป่ากี่เพลงโศกให้ฟานะมั้งเขาบอกมันโหยหวนต้องการอย่างนี้ก็มันน่าจะเป็นเรื่องของความโศกเศร้าเลดใจก็้าตาใจแก็แล้วกั น, กนอาตมาไม่ได้สนดด้วยเข้าสลดมานานแล้วความจริงร้องไห้ในใจ ม, นมานานแสนนานแล้ว Thank <laughs> you.